216. ิ21ทิฏฐิวิปลาสที่คนวิปลาสกันได้ถึงขั้นนิพพานประเด็นที่ลึกลำซําซ้อนหมุนรอบเชิงสอนยากที่จะเข้าใจกันได้ก็คือในอนาคต44ี่นั้นมีทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิหอยู่ด้วยทิฏฐธรรมนิพพานทิฏฐิคือทิฏฐิหรือความเข้าใจความรู้ความเห็น ที่เห็นว่านิพานเสพรสนิพานกันได้ในปัจจุบันมาพูดกันให้ชัดๆว่านิพานคืออะไรนิพานคือปรมางสุขขังนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งไงก็ได้ยินมานักแล้วใช่ไหมว่านิพานนางปรมางสุขขังผู้มิชาทิฏฐิย่อมหลงว่านิพานคือสุขอย่างยิ่ง และความรู้ของปุถุชนหรือผู้มิจฉาทิฏฐินั้น<ๆ>ก็จะยึดเอาความรู้สึกสุขที่ยังเป็นโลกีนั้นแหลคือความรู้สึกที่สุขอย่างยิ่งเขายังมีความไม่รู้อวิชชาอยู่จริงๆว่าสุขมันไม่มีจริงมันมีแต่สุขเท็จสุขคลิกะดังนั้นผู้ยังมิจฉาทิฏฐินั้นยังยึดเอาสุขนั่นแหละ เป็นความรู้สึกที่ถือว่านิพานตามที่เขาเรียกว่าสุขอย่างยิ่งตามอุปาทานชานีแลคนที่ปฏิบัติมิชาทิถิเขาผิดเพี้ยนเป็นวิปลาสอยู่เขาก็หลงว่าความวิปลาสที่เขาหลงยึดสุขอย่างยิ่งนี่คือนิพานของผู้วิปลาสเขาได้เขามีกันอยู่จริงๆ ซึ่งไม่ได้บรรลุความเป็นนิพพานที่เป็นสัจจะกันนั้นหรอกเช่นไปยึดเอากรารมเป็นนิพพานต่างหลงว่าสุขแล้วก็สเสวยสุขที่เป็นการมาสุขกันนั้นและ ว, ว่าเป็นปรมังสุขังนิพพานังปรมังสุขขั ง, าา ง, ง, ขขงการอยู่เต็มสังคมพุทธศาสนาทุกวันนี้ตามขนาดที่ตนมีอุ ป, ปาทาน ทิฏฐธรรมนิพานทิฏฐในปัจจุบันมีอยู่ห้าประเภทแม้แต่ฌานอีกสี่ผู้มิจฉาทิฏฐเขาก็วิปลาสหลงว่าเป็นนิพานหรือเป็นสุขอย่างยิ่งได้โดยในยะคล้ายกันนี้แลเพียงแต่ว่ามันเป็นคนละเหตุปัจจัยคนละภพชาติเท่านั้น